ก่อนฟังธรรมะก็เดี๋ยวนั่งสมาธิกันสักพักหนึ่งะทะทความรู้อยู่กับลมหายใจของเราพระศาสดาตรัสเรื่องของอนาปานสตินะหรือกายคตาสติให้มีจิตอยู่กับกาย <c oughs> ลมหายใจก็เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลาย ลวบอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียเพรเผากิเลตนั้นขณะที่เรารู้ลมที่ไหเข้าไหลออกชื่อว่าเรากําลังเพียนเผากิเลตเรามีสติสัมปชัญญะแล้ว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 ทำความรู้ป้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลางับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลางับอยู่หายใจออก <c oughs> การรู้ลมหายใจพระศาสดาบอกเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือ บีบแรงไปนกตายจับรวมไปนกหลุดมือต้องจับพอดีพอดีตั้งตั้งใจรู้ลมหายใจพอดีพอดีอย่ามากเกินไปอย่าน้อยเกินไป ถ้าจิตเคลื่อนจากลมหายใจไปให้ละความเพลินนันท่แปลว่าความเพลินพระศาสดาไม่ให้จิตเราเพลินไปกับอารมณ์ความคิดในอดีตบ้างอนาคตบ้างสุขหรือทุกข์บ้างให้ละความเพลินแล้วตั้งจิตอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิม ละความเปลี่ยนให้เร็วให้ไหว ิทที่เข้าไปรับรู้อารมณ์วิ่งวิ่งไปตามความอยากนะคือตัวธนารัชศาาจึงให้ละนันทิละความเพลิน จะเป็นการละตัณหาคือความอยากความพอใจในอารมณ์นั้นไปด้วยนีะ้เป็นการละพบสถานที่เกิดเป็นการละชาติคือการเกิดแล้วให้ตั้งจิตอยู่กับลมหายใจคือกายของเรานี้ จะสังเกตเห็นจิตที่เคลื่อนไปมาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้บัญญัติว่าจิตนั้นเปรียบเหมือนลิงกระโดดเกาะกิ่งไม้นั้นปล่อยกิ่งนี้จับกิ่งนั้นปล่อยกิ่งนี้ผู้ใดมีความเชื่อน้อมจิตไปมีความเชื่ออย่างมั่นคง ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายและใจของเรานี้เป็นของไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาบุคคลนั้นชื่อว่าเป็นสัทธานุสารีจิตของเขาก้าวเข้าสู่สมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องก้าวลุมพน้นปุถุชนภูมิ ไม่อาจที่จะทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกัเนตรเดชานหรือเปรตวิสัยได้และคนคนนั้นไม่ควรที่จะทำกาละคือไม่ควรตายก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล สมาธิให้เห็นการทำงานของจิตฝึกจิตให้มีอารมณ์อันเดียวแล้วเราจะเห็นสัจจะความจริงว่าจิตนั้นไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนเกิดดับ ก็นมจากสมาธิก็ให้ตั้งจิตแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลาย จากนั้นก็ค่อยๆออกจากสมาธิมา เจริญอน า, าปานาสติพระตาตาโคตก็บอกว่าแม้เราได้กระทาชั่วการเพียงรัดนิ้วมือพระองค์ก็กล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทแม้เราทำเพียงน้อยนิดนแค่เวลาชั่วรัดนิ้วมือพระองค์ก็สรรเสริญแล้ว น, นั้นก็ให้พระศาสดาให้เราเนี่ยทำให้มากจเจริญให้มาก ทําให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ <c oughs> เรื่องกเกี่ยวกับพุทธวัจนะก็เป็นคำสอนที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงนะเพราะว่าพระทุกวันนี้ก็เกิดมาจากค า, ารวาะเรานี่แหละนะที่เข้ามาบวชในธรรมวินยัย ไม่ได้ลอยมาเป็นพระเฉยนะมาจากคารวาะผู้มีศรัทธาในคำสอนของพระศัสดาแล้วเข้ามาบวชในธรรมวินัยเข้ามาเรียนรู้สิ่งที่บอกสอนและถ่ายทอดกันมาแต่สิ่งที่บอกสอนและถ่ายทอดกันมาเนี่ยมันมีความปิดพลาดคาดเคลื่อนอย่างไรนะเราจะตรวจตรวจได้อย่างไรนะก็คือเราตรวจที่คำของพระศัสดา พรงผู้มีพระภาคเจ้าวางหลักในการตรวจเอาไว้ว่าฟังคำของใครมาก็ตามเนี่ยอย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านจําให้ดีว่าเขาพูดอะไรแล้วเอามาตรวจในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตสกก่อนนะถ้าเข้ากันได้ลงกันได้คำนั้นก็ชื่อว่าทรงจำมาถูกถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้คานั้นก็ชื่อว่าทรงจามาผิดให้ละทิ้งคาพูดนั้นไป เพราะว่าคําสอนของพระศัสดานั้นไม่มีการขัดแย้งกันนะเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวเรามีพระศัสดาองค์เดียวนะไม่ได้มีหลายองค์เพราะฉะนั้นในศาสนาพุทธมีสายไม่ได้มีนิกายไม่ได้นะมีแต่ธรรมวินัยที่พระศัสดาบัญญัติเอาไว้เท่านั้นนะเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวนะและมาตรฐานนั้นก็คือพุทธวจนะธรรมวินัยที่ออกจากปากพระศาสดาโดยตรงซึ่ง ถูกถ่ายทอดกันมานะรุ่นต่อรุ่นไปเรื่อยๆนะไม่มีใครในยุคนี้คิดคำสอนขึ้นเองนะถ้าคิดคำสอนขึ้นเองก็เป็นเรียกว่าเป็นศาสดานะคือบัญญัติเองศาสดาหมายถึงผู้บัญญัตินะคำสอนสาวกคือผู้ฟังคำของผู้บัญญัติและเอามาปฏิบัติตามนะความเป็นสาวกคือต้องฟังบัญญัติจากศาสดาที่ได้บัญญัติไว้อย่างดีแล้ว ถูกต้องแล้ว <c oughs> และพระสัสดาเราก็ยืนยันว่าพระองค์เป็นศาสดาประเภทอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องมีใครบอกสอน <c oughs> นั้นถ้าชาวพุทธทุกคนเนี่ยมาศึกษาคำพระสัสดาโดยตรงสายนิกายต่างๆจะไม่มีไม่ต้องคุยกันว่าเธอไปปฏิบัติสายไหนฉันปฏิบัติสายนี้เธอทำยังไง ทุกคนจะทําตามคําสอนของพระศาสดาหเหมือนกันตรงกันหมดพระเองก็จะไม่มีการแบ่งแยกนะมีปัญหาอะไรก็จะใช้ทำรรวินัยที่ศาสดาบัญญัติไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมาเป็นเครื่องตัดสินนะนี่คือมอตาตรฐานที่พระศัสดาได้ตรัดเอาไว้ก็อยากให้ชาวพุทธทั้งหลายได้ทราบรวมทั้งความสามารถของศาสดาของเราว่า เป็นผู้สามารถกําหนดสมาธิทุกครั้งได้นะไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวตั้งแต่คําแรกจนกระทั่งคําสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆันะจัดไว้กับอ ค, คิเวสนะและจัดกับพิสูจทั้งหลายว่านับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้กระทั่งราตรีที่ตถาคตได้ปรินิพานตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนสแสดงออกซึ่งถ้อยคําใดถ้อยคําเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวทั้งสิ้นไม่แย้งกันเป็นประการอื่ น, นเลย คำพระศาสดาขัดแย้งกันไม่ได้สอดรับกันทั้งหมดทั้งชีวิตที่สอนมา <c oughs> และคำของพระองค์เป็นอากาลิโกถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลาห <c oughs> ลงยืนยันว่าไม่มีคำพูดของใครในโลกที่เป็นอาการลิโกนะแล้วก็สอดรับไม่ขัดแย้งกันเหมือนของพระองคนะ์นั้นความสามารถตรงนี้เราไม่ค่อยเคยได้ทราบจึงทาให้คิดว่าคาพูดที่สาวกพูดขึ้นเองนั้น เกนะ่งเท่าเทียบชั้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอันนั้นไม่ใช่คําว่าสาวกแปลว่าผู้ฟังคําสอนนะเป็นผู้เดินตามเป็นมักคานุ ค, คานะตถาคตเป็นมักคันยูรู้มักก่อนเป็นมักขวิทูรู้แจ้งในมักเป็นมักขโกวิโทโเป็นผู้ฉลาดในมักส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมักคานุ ค, คาผู้เดินตามเท่านั้นถึงแม้เธอจะเป็นพระอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตต์หลุดพ้นด้วยปัญญาก็ตามก็เป็นแค่ผู้เดินตาม นั้นพระลราหาันไม่ใช่สัพพัญยูไม่ได้รู้ทุกเรื่องเป็นแค่ผู้เดินตามเหมือนกันเดินตามพระศาสดาอย่างดีมีความเพียรมีสติมีสมาธิสามารถถึงที่หมายได้นะเดินตามแผนที่ที่พระศาสดาบัญญัติไว้วางเอาไว้แต่อย่ามาแก้มาปรุงแต่งแผ่นที่นะหรือคําสอนพระศาสดาพระองค์สัง่งสาวกทั้งหมดไวแล้วไม่ว่าจะเป็นโสดาสกิทาคานาคาพระละหันก็ตามบอกภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วนะจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนนะพระไม่มีสิทธิ์นะพูดแต่งอะไรขึ้นมาใหม่คำพูดพระศาสดาสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระองค์บอกถ้าคำพูดของพระองค์ ที่บอกมาทั้งชีวิตไม่สมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ก็จะไม่ประเรนิพาน์นะที่พระองค์ตัดสินใจปรินิพันธ์ก็เพราะคําสอนของพวกเนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยมีภูมิปัญญาดีกว่ามีอุบายใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่เปลี่ยนไปแล้วนะต้องสอนอย่างนี้เหมาะกับวัยรุ่นเหมาะกับคนยุคนี้ไม่จริงคําสอนพระศาสดาเป็นอากาลิโกนั่นแสดงว่าสาวกคนนั้นไม่เชื่อความเป็นอากาลิโกของคําพระศาสดา ยังไม่ได้ศึกษาคําพระศาสดาอย่างถ่องแท้นะก็เลยไปคิดใหม่บัญญัติใหม่ผลิตคําใหม่ๆขึ้นมาจึงเป็นเหตุให้ศาสนานั้งเสื่อมพระศาสดาเปรตเหมือนกลองศึกของกษัตริยทศราห์ชื่ออานาคตนะกลองอนาคตนี้เมื่อตีไปในที่สุดก็แตกกษัตริทศรหาห์ก็หาเนื้อไม้ใหม่ทําเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองนั้นทําอย่างนี้ทุกคราวไป ในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ที่ทําเสริมเข้าใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นความอันตรธานของสุตต่างๆเหล่านั้นที่เป็นคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาจักมีได้ด้วยอาการอย่างนี้คําศาสดาจะค่อยๆหายไปหายไปเพราะมีคําใหม่ที่บัญญัติขึ้นมาแล้วเราก็ไปสนใจคําพูดใหม่ๆบัญญัติใหม่ๆ จนสับสนไปหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกวันนี้เราก็เลยมีหลายสายหลายนิกายหลายค่ายหลายสานันกกลายเป็นชาวพุทธ เ, เข้ากันไม่ได้พระก็เข้ากันไม่ได้งงกันไปหมดไม่รู้จะทำยังไงจริงๆก็ทำง่ายๆกลับไปหาพุทธวจนะคำที่พระศาสดาตรัสรไว้แล้วก็เลิกถือสิ่งที่คนบัญญัติขึ้นใหม่นะอ่า จะเป็นใครก็ตามที่บัญญัติขึ้นใหม่ถ้าไม่ใช่พระผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ไม่เอานะเพราะพระศาสดาบัญญัติไว้แล้วนะ <c oughs> นี่ก็คือหลักการของพุทธวจนะที่มาที่ไปนะก็ให้เราเข้าใจว่าพระเรานะจะต้องสอนคําพระศัสดานะมีหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ผู้เจ้าบอกไปว่าพระศาสดาพูดอย่างนี้นะ เหมือนพิกูจน์ในครั้งพุทธกาลเขาจะบอกแต่ว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรทุกคําถามทุกปัญหาของคนในโลกเนี่ยพุทธเจ้าตอบไปหมดแล้วพุทธเจ้ารู้แม้กระทั่งว่าความคิดของมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมี62แบบมนุษย์ทั้งโลกจะมีกี่พันล้านคนก็ตามคิดไม่เกินนี้62แบบบรรยายความคิดของมนุษย์มาทั้งหมดและบอกวิธีแก้ไขไว้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่า อ่เรามีแนวคิดใหม่ที่ตนะีหกสิบสามแบบที่หกสิบสามไม่เกินไปกว่า น, นี้นะนะมีประเด็นคําถามอะไรไหมเชิญ เขากาสพระอาจารย์ครับผมเห็นว่าในส่วนของสัตววจนะเนี่ยครับในส่วนของปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นหัวใจของผู้ศาันาเพราะว่าได้กล่าวโดยละเอียดในเรื่องของสมุทยแล้วมาก และรวมอริยสัจ ส, สีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นคุณสมบัติหนึ่งของพระริยาเจ้าที่จะต้องสร้างผมอยากจะเรียนถางพระอาจารย์อยู่สองประเด็นเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจสมุปบาทในส่วนของการทำงานของพรษา จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อประกอบด้วยนามรูปและวิญญาณที่เข้าไปทำงานพร้อมกันจึงเกิดเป็นภาษะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากเหมือนพระสารีบุตรที่เคยเปรียบเทียบไว้เหมือนไม้พิงกันหรือพระสมมาสัมพุทธเจ้าเคยตรัสไว้เปรียบเหมือนแสงกับฉาก ถ้าหากว่าเราเนี่ยปฏิบัติโดยไม่ให้มีการประจวบพร้อมซึ่งวิญญาและนามรูปที่มาทำงานด้วยกันน่าจะเป็นหนทางที่ที่ดีกว่าโดยเฉพาะเวทนาเป็นของดับเย็นเพราะมันจะไม่เข้าไปถึงเวทนาเพราะดับซะก่อน นี่คือประการที่หนึ่งถูกต้องหรือไม่ครับก็ oh, ใช่อยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดับที่ปัศสาวเนี่ย mm hmm. ก็นอกจากจะทำให้เวทนาเป็นของดับเย็นก็ยังเป็นมรรควิธีที่ง่าย mm hmm. เป็นปฏิปทาที่สะดวกสบายต่อการเข้ามรรคผลนิพพานนะข้อที่สองจิตของเราเองเนี่ยที่ปฏิบัติปไปจะเกิดดับ เกิดดับเกิดดับเกิดดับเร็วมากจนกระทั่งเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่สังเกตจะไม่สังเกตว่ามันมีช่องว่างอยู่นิดนึ่งตรงที่เกิดดับแล้วมันมีช่องว่างแทรกอยู่นิดนึงถ้าหากว่าเราเจริญสติมาก จะเห็นช่องว่างตรงนี้มันจะมีอยูน่นิดหนึ่งผมขอเรียกถามพระอาจารย์ว่าช่องว่างที่พูดถึงนี่นี่นั่นคือวิมุติใช่ไหมครับใช่พระอาจาก็จะเรียกว่าช่องว่างในที่คับแคบหรือโอกาสในที่แคบนะก็คือรอยต่อระหว่างวิญญาณแต่ละดวงซึ่งวิญญาณแต่ละดวงเนี่ยไม่ใช่ดวงเดียวกันนะอะจิตที่ไปรู้อารมณ์จากอารมณ์หนึ่งไปอีกอารมณ์หนึ่งเนี่ย จะเป็นจิตคนละดวงกันจิตดวงหนึ่งจะดับทรงใหม่จะเกิดพระเจ้าเรียกตรงนี้ว่าการมาการไปขณะที่มีการมาการไปจะมีตายแล้วก็มีเกิดนะนะทำให้เราได้ทราบว่าจิตเนี่ยมันไม่ใช่ดวงเดียวกันถ้าจิตเป็นดวงเดียวกันวิ่งจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้วิ่งจากอารมณ์นี้ไปอารมณ์นี้ก็แสดงว่าจิตเป็นนิจจังไม่มีการตาย แต่จิตมีการเกิดดับตลอดเวลาพู้เชา้าบอกจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเพนะราะนขนาที่เรานั่งอยู่นี้จิตก็เกิดดับเกิดดับในกายอยู่ตลอดเวลาทุกขณะแห่งความคิดก็คือเกิดเปลี่ยนความคิดก็คือจิตดวงหนึ่งดับอีกดวงหนึ่งเกิดอยู่ตลอดขอกาบพระอาจารย์ถามข้อสามข้อสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติอน า, าปานสติสติปทานสี่ ในกรณีที่เราแยกผู้รู้ออกมาจากผู้ที่ถูกรู้นะเมื่อเข้าไปสู่ของวิมุตติยานทศนะคือผู้รู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาสังเกตดูผู้รู้นั่นอีก อีกชั้นหนึ่งถูกต้องไหมครับใช่ใชเสร็จแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมองว่าแม้แต่ผู้รู้ก็ไม่ใช่ของเราเอา่อาก็คือก็คือสลัดอา่าถูกต้องไหมครับใช่ผู้รู้ในที่นี้ก็คือจิตหรือวิญญาณนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่ยังเกิดดับอยู่ ซึ่งตอนเนี้ยเราเข้าใจผิดคิดว่าจิตนี้เป็นเรานั้นชาวพุทธทั้งหลายจึงคิดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดซึ่งพระเจ้าบอกไม่มีนะเหมือนสาธีเกวัตตบุตรนะพูดขึ้นมาว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระเจ้าบอกโมฆบุรุษใครสอนเธอว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดถูกว่าเลยนะเราเข้าใจว่ามันต้องมีคนเวียนว่ายตายเกิดสักคนหนึ่งเนี่ยถูกอยู่ แต่ใช้คําพูดว่าวิญญาณไม่ได้เพราะวิญญาณ<ม>เป็นของเกิดดับตลอดเวลาวิญญาณไม่ใช่ชีวิตนั้นผู้ที่เวียนว่ายในสังสารวัฏเนี่ยผู้เจ้าเรียกว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกมันมีสภาวะธรรมหนึ่งที่มีอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันมีตัณหาความอยากเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในขันทังห้านะไอ้ผู้หลงผู้เนี้ยผู้เมียวิชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยมายึดจิตหรือวิญญาณอีกทีหนึง่ง ใช้นิยามสามให้ถูกก่อนวนะ่าจิตมโนวิญญาณสามชื่อเนี่ยคือตัวเดียวกันเป็นผู้รู้ที่เกิดดับตลอดเวลา <c oughs> ผู้หลงเนี่ยมายึดตัวเนี่ยแล้วตัวเนี่ยนะที่ผู้หลงเข้ามายึดถือว่าเป็นจิตของมันเนี่ยก็เข้าไปรู้อารมณ์สี่อารมณ์นี้คือเข้าไปรู้รูปกายเรารู้เวทนาซึ่งมีสามอาการสุขทุกข์เฉยๆเข้ามารู้สัญญาความจําเข้ามารู้สังขารความคิดปรุงแต่งนี่สี่ธาตุนี้ที่ วิญญาณเข้ามารับรู้และมีผู้หลงที่เข้ามาหลงยึดขันทั้งห้าทั้งหมดเนี่ยผู้หลงเนี่ยแหละผู้มีอ ว, วิชชาเป็นเครื่องกั้นเนี่ยที่ท่องเที่ยวภายในสังสารวัฏ น, นะถ้าเราเสพพบกับวิญญาณที่เกาะอกุศลมากเราก็ไปเกิดในอบ า, ายถ้าเราเสพพบกับวิญญาณที่เป็นกุศลมากเราก็ไปเกิดในสุปตินะ ผู้หลงจึงท่องเที่ยวไปกับวิญญาณเกิดตายเกิดตายไปในภพดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างนี้นั้นไม่ว่าจะเป็นการเกิดในภพใดๆก็ตามนะก็ไม่ดีทั้งหมดเพราะจะได้มาซึ่งความแก่และความตายพนะระศาสดา จ, จึงให้เราละการเกิดทั้งหมดนะเพื่อเข้าถึงสภาวะเดิมของตัวเองซึ่งสภาวะเดิมของตัวพวกเราเองเนี่ยคือวิมุติไม่ใช่ร่างกายอันนี้ร่างกายเนี่ยเราต้องทอดทิ้ง ในโลกนี่แหละแต่ทุกคนเนี่ยมีวิมุตต์อยู่ในตัวอยู่แล้วมีสภาวะธรรมตัวนี้อยู่แล้วตัวผู้หลงนี่แหละทําให้มันหายหลงจะเป็นผู้ที่มีวิชาคือความรู้แล้วจะเรียกว่าวิมุตติอนาทัศนะผู้รู้ในวิมุตต์นั้นจริงๆสภาวะเดิมของตัวเองเนี่ยคือวิมุตต์นั่นเองพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยกลับไปสู่ความเป็นเราเดิมๆจริงๆ เป็นความมีอยู่แต่ความมีอยู่นี้ไม่ปรากฏการเกิดไม่ปรากฏการเสื่อมและไม่ปรากฏการดับสภาวะธรรมเดิมของพวกเราทุกคนเนี่ยไม่เกิดไม่ตายเพียงแต่มีอวิชชาเนี่ยความไม่รู้มาเป็นเครื่องกั้นเราทําให้เราเนี่ยต้องเที่ยวต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏกับไอ้ขันห่านนี่ตลอดเวลาพอรูปตายเราจะเกิดรู้สึกว่าเราต้องตายไปตามรูปจึงมีเราตายเมื่อวิญ ญ, ญาณดับเราก็รู้สึกว่ามี เราเนี่ยดับไปตามบิญญาณเหมือนกันมีอะไรตายจึงรู้สึกว่ามีอะไรตายมีใครตายนะอเป็นอย่างนี้ขอโอกาสพระอาจารย์อีกทีหนึ่งครับที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องวิมุตต์นะครับวิมุตต์เป็นเครื่องอาศัยของสติสัมปชัญญะ ถ, ถูกต้องไหมครับอเป็นที่เล่นไปสู่นะอ่าตัวสติเนี่ยก็จะเล่นไปสู่วิมุตต์ การที่จะมีสติสัพพัญญะวิธีที่รัดและรวดเร็วที่สุดก็คือการละนันทิ<า>ละความเพลินนะครับเพื่อที่เข้าไปสู่สติสัพพัญญะ<า>แล้วก็แล่นไปสู่วิมุติอีกครั้งหนึ่งถูกต้องนะครับ น, นั้นฝึกสติอย่างเดียวก็ได้แล้วนะธรรมะของพระศาสดา ข, ขอให้จับให้ถูกต้องคาเดียวก็สาเร็จประโยชน์ เช่นรู้จักคำว่าไม่เที่ยงคำเดียวก็ได้สติละนันทิคำเดียวก็ได้ละนัน ท, นนทิอย่างเดียวจิตหลุดพ้นได้เลยมีฝึกสติอย่างเดียวก็จิตหลุดพ้นได้นะ่ะรู้จักคำว่าไม่เที่ยงคำเดียวเนี่ยพะุทธเจ้าบอกผู้ใดมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่าเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำพ้นที่เขาวางได้คือพระอารหันต์ในปัจจุบัน น, ะนันเรามาเรียนรู้ คำสอนพระศาสดาเนี่ยคือต้องการให้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องตรงนะ <c oughs> จะได้เข้าถึงความ้นทุกข์อย่างถูกต้องไม่งั้นไม่รู้ว่าเราเนี่ยปฏิบัติตามใครอยู่นะตกลงแล้วให้เรานั่งสมาธิเรานั่งทําตามความเห็นใครนอกที่คิดขึ้นมาที่หลังเนี่ยนะเพราะนั้นตรวจให้ดีก่อนดูแผนที่ให้ดี จะเดินทางไปเชียงใหม่ถือแผ่นที่เชียงใหม่่าไปถือแผนที่ยะลามันไปมันกอลทิด <c oughs> นั้นพุทธวจะนะเปรียบเหมือนแผ่นที่ที่ถูกต้องนะที่เราจะได้เดินไปอย่างที่หมายนะจะได้ไมีพลาดและเอามาตรวจสอบได้ตลอดขอกาับอาจารย์ <c oughs> ก็รู้เพาจากกระเพาะพอดีอยู่ในทีมที่ทำหนังสือแล้วมีโอกาสได้อ่านหนังสือของพุทธวจนะอาจจะพระสูตรยาวนิด huh. นึงนะครับดีแต่ว่าคำถ like ามน you know ี้จะอยู่ปลายพระสูตรสุดก็เรื่องของโลกกามาคุณสูตรที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนตรัสรู้เมื่อเราเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกว่า เบนจากกรารมาคุณของเราที่เราเคยสัมผัสด้วยใจมาแล้วล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปลปวนไปแล้วจิตของเราเมื่อเกิดพึงเกิดขึ้นในเบนจากกรารมาคุณที่เป็นปัจจุบันมากหรือที่เป็นอนาคตน้อยลำดับนั้นเราคิดว่าเบนจากกรารมาคุณของเราที่เราเคยสัมผัสด้วยใจมาแล้วล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปลปวนไปแล้วเราปรารถนาประโยชน์แก่ตน พึงทำความไม่ประมาทในเบญจกรรมคุณนั้นและสติให้เป็นเครื่องรักษาจิตเพราะเหตุนั้นแหละเบญจกรรมคุณแม้ของท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเคยสัมผัสด้วยใจมาแล้วล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปลปวนไปแล้วจิตของท่านทั้งหลายที่เมื่อเกิดพึ่งเกิดขึ้นในเบญจกรามคุณที่เป็นปัจจุบันมากหรือที่เป็นอนาคตน้อยองเล็บเช่นเดียวกันองเล็บปิด เพราะเหตุนั้นแหละเบญจากาก ร, รมคุณแม้ของท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายเคยสัมผัสด้วยใจมาแล้วล่วงไปแล้วดับไปแล้วแ ป, ปลปรวนไปแล้วท่านทั้งหลายปรัตถนาประโยชน์แก่ตนพึงทําความไม่ประมาทในเบญจากา ร, รมคุณนั้นและสติให้เป็นเครื่องรักษาจิตตัวเล็ก น, นะครับแล้วพระองค์ก็ตัดไปอีกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละ อายตนะอันบุคคลจำต้องรู้ไว้คือจักสุดับนะที่ใดรูปสัญญาก็สิ้นไปนที่นั้นหูดับนะที่ใดสัทธะสัญญาก็ดับไปนที่นั้นจมูกดับนะที่ใดคันทะสัญญาก็ดับไปนที่นั้นลิ้นดับไปนที่ใดรสสัญญาก็ดับไปนที่นั้นกายดับนะที่ใด โหดท พ, พะสัญญาก็ดับไปณนะที่นั้นใจดับณนะที่ใดธรรมะสัญญาก็สิ้นไปณนะที่นั้นเหตุการณ์ต่อไปนะครับคันพระผู้มีพระเจ้าตัดเสร็จก็ลุกจากพุทธอัสนะไปเข้าสู่วิหารทันทีเมื่อพระองค์เสด็จไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นก็คิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทนี้แก่เราโดยยอ่อทรงไม่จำแนกเนื้อความไม่พิสดารว่า คือที่พระภิกษุไม่เข้าใจก็คือตรงที่ว่ า, เ, าเพราะเหตุนั้นแลอายตนะอันบุคคลจำต้องรู้ไว้คือจักรสุดับนาะที่ใดรูปสัญญาก็ดับไปณนะที่นั้นส่วนในเรื่องของสัทธาต่างๆก็จะตามที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้นะครับดังนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จลุกออกไปเข้าพระวิหารเสียโดยที่ไม่จาแนกธรรมออกเป็นส่วนโดยย่อให้เข้าใจภิกษุเหล่านั้นจึงคิดว่า ท่านพระอนนท์นี้แหละเป็นพระศาสน์เป็นผู้ที่พระศาสดาและเพื่อนสหพลมมจารีผู้เป็นปราฏยกย่องสรรเสริญทั้งท่านสามารถจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงโดยย่อไม่ทรงจำแนกเนื้อความให้พิสดารนั้นโดยพิสดารได้ถ้าอย่างนั้นเราจงไปหาพระอานนท์กันเถอดหลังจากนั้นนะครับก็พระวิสุทที่ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็ไปหาพระอานนท์แล้วก็ไต่ถามความกับพระอนนท์สึง สิ่งที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เมื่อเมื่อไต่ถามเศรษฐพรานนก็พูดว่ า, าผู้มีอายุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวหาแก่นไม้อยู่กับล่วงเลยลากล่วงเลยลําต้นแห่งต้นไม้นี้มีแก่นต้นใหญ่ซึ่งตั้งอยู่เฉพาะหน้าไปเสียมาสําคัญแก่นไม้ที่จะพึงสแสวงหาได้ที่กิ่งและใบฉันใดคําอุปมานี้ ก็ฉั น, นั้นคือพวกท่านล่วงเลยพระผู้มีพระภาคผู้ประทับอยู่เฉพาะหน้าในฐานะเป็นพระศาสดาของท่านทั้งหลายไปเสียมาสําคัญเนื้อความที่จะไต่ถามนี้กะกับผมแท้จริงพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบย่อมทราบเมื่อทรงเห็นย่อมเห็นพระองค์เป็นผู้มีจักษุมีพยานมีธรรมมีเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้กล่าวเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ทําเนื้อความให้ตื้นเป็นผู้ให้อมตะธรรมเป็นเจ้าของแห่งธรรม เป็นผู้ทึ่งถึงทำที่แท้เวลานี้การสมควรที่จะทูลถามเนื้อความนั้นแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จะทรงแก้ปัญหาแก่ท่านทั้งหลายได้ขอท่านทั้งหลายพึงจําข้อความนี้ไว้แม้กรณ์นั้นนะครับพระภิสุ์ก็ยังพยายามที่จะถามพระนลต่อแต่พระนลก็ทรงไม่ตอบยังยืนยันคําเดิมว่าให้กลับไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระภิสุทธ์เหล่านั้นกลับไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าจะมีประโยชน์สุดท้ายที่กระผมงงนะคะก็คือว่า เพราะผมีพระเจ้าตัดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานน์เป็นบัณฑิตมีปัญญามากหากท่านทั้งหลายพึงถามเนื้อความข้อนั้นกับเราแม้เราพึงพยากรณ์ปัญหานั้นเหมือนอย่างที่อานน์พยากรณแล้วนั้นแหละนั่นเป็นเนื้อความแห่งอุเทศนั้นท่านทั้งหลายพึงทรงจําเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิดตรงประโยชน์สุดท้ายนี่พระพัตถาคุนี้มีวไวยะว่าไว่าอย่งไรครับ แต่พรงไม่ได้ตอบแล่วคือเหมือนผู้เจ้าคือผมมงว่าคืออย่างพระสูตรเนี้ยครับจริงๆแล้วคือเรไปถามพระนนทพระนนก็บอกว่าให้ให้ฟังคำของผู้เจ้าตรงประโยคที่บอกว่าอนน์เป็นบัณฑิตมีปัญญามากกท่านทั้งหลายพึงถามเนื้อความข้อนั้นกับเราแม้เราพึงพยากรปัญหานั้นเหมือนอย่างที่อนนพยากรแล้วนั่นแหละ นั Mountain, ้นเป็นเนื้อความแห่งอุเทศนั้นท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างอย่างน <eng> ั้นเถิดตกลงไม่มีใครตอบระเินเนี่ยถ้าไม่มีใครตอบอย่างนี้ก็แสดงว่าคำผู้เจ้าตรงนั้นสมบูรณ์แล้วใช่มหอคือพระพุทธองค์ก็ยังยืนยันคำคำคาเดิมใช่ไหมครับที่พระองค์ทรงได้ใช่ถ้ากลว่าให้ให้กลับไปดูคาเดิมอีกทีหนึ่งนะว่าคานั้นเนี่ยมันสมบูรณ์แล้ว นะเดี๋ยวผมอาจจะจะขออนะกล่าวถึงประสุดคําเดิมที่เป็นโดยย่อนะครับนะดูก่อนภนะิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละอายตนะอันบุคคลจําต้องรู้ไว้คือจกักษุดับนะที่ใดรูปสัญญาก็ดับสิ้นไปณที่นั้นหู ด, ดับนะที่ใดศัทธาสัญญาก็สิ้นไปณที่นั้นก็ถูกแล้วจริงๆก็ก็หมดแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าตามันเสียเนี่ย การเห็นรูปก็ไม่มีอยู่แล้วแล้วจะมีอะไรให้ให้ลึกไปกว่านี้ใช่ไหมเพราะว่าองค์ประกอบของภาษาก็จะมีสส่วนนะการเห็นรูปจะมีตามีรูปมีวิญญาณทางตาใช่ไหมถ้าวิญญาณไม่มาสู่คลองแห่งจักษุมีตากระทบรูปแต่ไม่มีวิญญาณมารู้การรู้แจ้งทางตาก็ไม่มีมีวิญญาณมีตาไม่มีรูป เช่นไม่มีแสงมืดหมดตากับวิญญาณก็ไม่เห็นอะไรน ะ, ะมีรูปมีวิญญาณแต่ไม่มีลูกตานะคนตาบอดก็มองไม่เห็นภาพอีกเสียนั้นองค์ประกอบของภาษะพระศา ส, ะสะดาจริงบรรดาไว้สาม <c oughs> เสียงก็ต้องมีหูมีเสียงมีวิญญาณทางหูในประสูตรนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าตามันดับนะหูมันดับจมูกมันพังไป ตาดับการเห็นรูปก็ไม่มีมันก็ถูกละองค์ประกอบมันเสียไปหนึ่งแสดงว่าไม่ครบองค์ประกอบของภาษะใช่ไหมอย่างนี้พระนรนก็จะตอบเหมือนกับพระอราหารันต์ทั่วๆไปเช่นภิกษุไปถา ม, รมาาพระมหากัจจานะพระมหากัจจานะซึ่งเป็นพระอราหันต์เป็นเอตทัคคะในด้านการขยายคําพผู้เจ้าก็จะบอกว่าเนี่ยพวกท่านล่วงเลยแก่นไม้และอยากหาแก่นไม้ดันมาถามกับผม นะผมจะรู้อะไรเนี่ยพลาดแล้วเนี่ยอยู่กับผู้เจ้าไม่รู้จักถามผู้เจ้านะขนาดพระหลา์ยังไม่กล้ารับรองคําพูดตัวเองน ะ, ะยังไม่กล้าที่จะตอบนะหลายหลายครั้งพระมาะกัะจานะก็ตอบไปแต่ตอบเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่าอย่าอย่าพึ่งเชื่อคําพูดตัวเองนะให้ไปถามผู้เจ้าอีกทีหนึ่งผู้เจ้าตรัสตอบอย่างไรให้ทรงจําอย่างนั้นเห็นนะทุกคนจะไม่ ไม่ร้0ยเปอร์เซนกับคำพูดตัวเองเราจะเห็นว่าการบัญญัติธรรมมออกมาเป็นเรื่องยากนั่นคือมันเป็นเรื่องของศาสดาผู้เดียว <c oughs> เราเข้าใจอย่างนี้เราก็พูดแต่บ่ยังรับยังไม่รับรองคำพูดเรานะมันอาจจะมีรูรั่วมีช่องโหว่มีข้อผิดพลาดแต่ถ้าพระศาสดาฟังแล้วรับรองแล้วก็แสดงว่าอันนั้นแหละใช้ได้ ท่านภิกษุเขาก็จะกลับไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าทีว่าพระมหากานณ์นี้ตอบมาอย่างนี้เชื่อได้ไหมถ้าผู้เจ้ารับรองเขาก็จะทรงจำกันถ้าผู้เจ้าไม่รับรองเขาก็จะไม่ทรงจำถามว่าพระสารีบุตร เ, เก่งรองจากผู้เจ้าลงไปเพราะผู้เจ้าชมเองเคยพูดพลาดไหมแล้วผู้เจ้าไม่รับรองมีไหมมีอย่างพระสารีบุตร เ, เสนอว่าพระที่ไปเข้ากับพระเทวทัต นะแล้วเปลี่ยนใจกลับมาหาผู้เจ้าใหม่เนี่ยให้สึกให้หมดเลยแล้วบทใหม่ผู้เจ้าไม่อนุ ญ, ญาตบอกสารลบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของภิกษุเหล่านั้นเลยให้ปรับอับัติชื่อถุลใจเห็นนะเพราะฉะนั้นแม้แต่ผู้เลิศทางปัญญาเป็นพระอหรหันต์เก่งลองจากผู้เจ้ายังมีโอกาสที่จะพูดพลาดและผู้เจ้าไม่รับรองได้เลยเพราะนั้น เวลาใครพูดอะไรจะพระหลานองคใดอริยะสาวกหรือพระปุตุชนก็ตามเขาจะไม่กล้ารับรองคําพูดตัวเขาเองเขาจะให้กลับไปถามพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกครั้งนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของพระนนที่ก็ไม่กล้าแสดงความเห็นนะอแล้วบอกให้ไปถามผู้เจ้าอันไหนที่ตอบไม่ได้แต่พระนลจะรู้พระสูตรมากถ้าผู้เจ้าเคยอธิบายไว้ในตรงไหนเนี่ยพระนลก็จะหยิบพระสูตรมาแล้วบอกไปเช่นพระอุทายีมาถาม ท่านอ น, นุนสันทิติกนิพพานเนี่ยมันหมายถึงอะไรแต่ทางคันิพพานหมายถึงอะไรพระนนก็จะตอบว่าอ๋อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ภิกษุสงัดจากกามและอริยสธรรมทั้งหลายเข้าถึงปฐมฌานอันมีวิตกวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกแล่แรอยู่นี้ก็เรียกว่าสันทิติกนิพพานหรือแต่ทางคันิพพานนะไอ้ที่ก็เรียกว่านิพพานชิมลองอะไรอย่างนี้แต่อย่าไปใช้ชื่อใหม่เลยนะใช้ชื่อให้เต็มคือตทางคันิพพานแตทางคันิพุโต หรือสันทิติกานิพานหรือทิฏฐธรรมนิพานหรือสันทิตธรรมอย่างนี้มี5ชื่อซึ่งความหมายพระองค์ตรัสเหมือนกันหมดตั้งแต่สมาธิขั้นต้นปฐมฌานถึงสัญญาเวทิตานิโรธแล้วก็ถึงนิพานเป็นคำที่ใช้ควบกันได้ทั้งสองระบบนะนั้นถ้าเรา <c oughs> ไปใช้คำใหม่เป็นนิพานนะอย่างนี้คนจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเนี่ยสามารถได้นิพาน นะจริงๆในชั่วขณนะได้อย่างนี้นะซึ่งมันไม่ในความหมายที่พระเจ้าตรัสเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นมันหมายถึงสมาธิทั้ง9ระดับนะจนกระทั่งขันห้าดับไปนะก็จะเป็นนิพพานเพียวๆนิพพานแท้ๆนะนั่นนิพพานตัวนี้สันติสติกนิพพานหรือตัฐังคานิพพานต้องหมายถึงนิพพานเนี่ยหมายถึงความดับเย็นคืออะไรดับเย็นนะปฐมฌานเนี่ยอกุศลจะดับเย็น คือดับอกุศลได้เข้าปฐมฌานทุติยฌานนะก็คือวิตกวิจารณ์ดับเย็นตติยฌานก็คือปิติดับเย็นสุขดับเย็นรูกประสัญญาดับเย็นอากาสาดับเย็นดับดับไปเลื่ยจนทั้งขันห้าดับเย็นนะก็จะเป็นนิพพานลนล้ว น, ว น, วนอย่างนี้นะ <c oughs> นั้นใช้ชื่อให้เต็มอย่างของผู้เช่าจะได้ไม่สับสนนะอันนี้ก็คงในลักษณะเดียวกันนะนั้นเราก็ต้อง กลับไปที่พระสูตรเดิมนะถ้าพระสูตรนี้ไม่ไม่ถูกตัดทอนนะหรือไม่ได้ถูกย่อมานะโดยปกติลักษณะอย่างนี้นะพระนรินท์ก็จะยกพระสูตรนั้นพระสูตรนี้หรือถ้าเป็นพระมหากาัจรานะก็จะปฏิเสธก่อนนะจนกระทั่งถูกขยันขยอจริงๆก็จะให้ความเห็นไปแต่ก็จะมาปิดท้ายว่าอย่าพึ่งเชื่อคำพูดเรานะแล้วภนะิกษุทั้งหลายก็จะเอาคาพูดของพระมหากาจาัจรนะ ไปถามผู้เจ้าอีกทีหนึ่งนะถ้าผู้เจ้ารับรองปั๊บเนี่ยเขาก็จะทรงจําคําพระมหากรจานะเสมือนหนึ่งคำผู้เจ้าเหมือนกันนะนี่คือลักษณะการถ่ายทอดนะคําสอนในครั้งพุธการเขาจะทําอย่างนี้จะไม่มีใครกล้าพูดขึ้นมาใหม่เดี๋ยวนี้เราจะถูกสอนในหลักการที่ไม่ถูกต้องถือพระปฏิบัติต้องพูดเองนะต้องพูดมาจากการปฏิบัติเองนี่ผิดมาตั้งแต่หลักการเลยนี่มันเป็นอย่างนี้ อันนี้เป็นที่มาของอัธกถาที่อยู่ในพธธระไตรปิฎกเยอะๆใช่ไหมครับที่เหมือนกับว่าห <ฮะ S 2> ยิบไปแล้วก็<ช>มาขยายความใช่ไหมครับใช่ใ ช, ใช่นั้นในพระไตรปิฎกเนี่ยจะมีสองส่วนส่วนที่เป็นพุทธวจนะแท้ๆกับส่วนที่เป็นอันธกรถาคือสาวกรุ่นหลังเนี่ยมาแต่งขึ้นมาอธิบายเองซึ่งส่วนอันธกถาเนี่ยมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกนั้นเนื้อหาของพระไตรปิฎกเนี่ยเวลาเราอ่านเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปเจออัธกถาสัส่วนมาก จึงต้องมีการแยกแยะ ก, ก่อนนะเวลาเราอ่านพระไตปิฎกเนี่ยให้อ่านเฉพาะพุทธพจนะคือคำที่ 90% กว่า เ, เนี่ยจะขึ้นต้นว่าดูก่อนพิสุลหลายดูก่อนอนุนดูก่อนสาริบุตรดูก่อนข้าพอดีดูก่อนจอมเทพอย่างนี้พู้เจ้าจะมีการพูดชื่อคนที่จะพูดด้วยหรือกลุ่มคนนั้นก่อนที่จะตามด้วยเนื้อหานะ <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มีบางส่วนเช่นคาถาผนวกท้ายพระสูตรบางอันเนี่ยที่ไม่ได้ขึ้นต้นนะ แต่คาถาผนวกท้ายพระสูตรเนี่ยก็ก็ให้ระวังเพราะว่าก็จะมีอัตกราชอบแต่งคาถาผนวกท้ายพระสูตรนะในะพระไตรปิฎกเขาก็แยกแยะมาให้แล้วว่าออันไหนเป็นคําแต่งขึ้นอันไหนเป็นคําพระศัสดานะนั้นเวลาเราอ่านเนี่ยอยไปคิดว่าอันนี้คือคำสัสดารวนทั้งหมดนะแยกแยะตรงนี้ก่อนตรงนี้จึงเป็นปัญหาของนัก อของผู้ที่จะศึกษาคําพระศาสดาต้องหยิบมาให้ดูอันหนึง่งมันจะมีคําหยิบพระจักรปดกมาให้ดูเล่มหนึง่งเ <c oughs> นี่ยเขาจะเขียนไว้ให้แล้วว่าพระสูตรและอัตถกถาคือคำพระพระศาสดาและก็คําที่แต่งขึ้นใหม่นะอัตถกถาก็คืออัฏฐาโดยโดยพวกสาวกนะจะเป็นสาวกรุ่นใดก็ตามนะ หาที่มาที่ไปได้บ้างหาไม่ได้บ้างนะบางทีก็จับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ใครเป็นคนแต่งนะเพราะนั้นในเนื้อหาเนี่ย <c oughs> บางทีผู้เจ้าตรัสมาหนึ่งหน้าอัตถกาาก็จะแต่งไปสักยี่สิบสามสิบหน้าบ้าง น, นะเราเคยเจออันหนึ่งผู้เจ้าตรัสบรรทัดเดียวแต่งไปหนึ่งร้อยหนึ่งหน้านะเพราะนั้นเวลาโยมไปนั่งอ่านโยมก็ไปนั่งอ่านความเห็นของคนโน้นคนนี้เต็มไปหมดเลยใช่ไหเพราะนั้นสังเกตดีๆนะ ปัญหาตรงนี้ห <c oughs> ยิบจากพระโอษฐ่าเล่มมา <c oughs> ปัญหาตรงนี้ท่านผู้ท่าเนี่ยจึงแก้ปัญหาด้วยการารวบรวมเอาเฉพาะพุทธวจนะที่อยู่ในพระตาบิดกเนี่ยมาทําเป็นห้าเล่มจากพระโอษฐ์ที่เป็นด้านอาริสัตยีอย่างเดียวนะดึงมาทั้งสี่ิบผ้าเล่มของพระตาบิดกแต่นี้เป็นของมหามงกุฎนะมหามงกุฎจะมีเก้าบเอ็ดเล่ม แต่ถ้าจะให้ตรงกับบาลีสามลัทก็คือสี่สิบ้าเล่มอันนี้เขากระจายเป็นเล่มเล็กก็คงจะทําให้จํานวนเล่มมากขึ้นนะ <c oughs> ที่ท่านผู้ท่านทำมาเนี่ยก็คือกลุ่มซับจัพระโอทผู้ถวบวัติจัพระโอ์อริสัจจพโอทภาคต้นภาคปลายแล้วก็ปฏิจจสุบาจัพระโอ์เป็นด้านอริสัตสทั้งหมดนะทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าท่านผูท้ทานและทีมงานเนี่ยจะต้องนั่งอ่าน ทั้ง45เล่มของพระธริมดกเนี่ยว่าอริสัตยสอยู่ตรงไหนบ้างเพราะว่าพระสูตรมันไม่ได้เรียงร้อยกันอย่างนี้นะกระจายไปกระจายไปแล้วก็ดึงเฉพาะอริสัตยสเนี่ยมารวบรวมไว้นั่นคือการสอนด้านการภาวนาของพุ้มเจ้าเนี่ยก็ค่อนข้างจะสมบูรณ90์90กว่าแล้วใน เ, เล่มจากพระโอษฐ์อันนี้นะเนี่ยอันนี้เป็นอริสัตภาคต้นแล้วก็ภาคปลายก็จะเล่มใหญ่กว่านี้อีกนิดหนึ่งก็สองเล่มเนี่ย เป็นคําสอนด้านการภาวนาเราฟังสาวกสอนด้านการภาวนาลองมาฟังผู้เจ้าสอนการภาวนาสิทำยังไงนะ เ, เราจะรู้ทั้งหมดว่าผู้เจ้าสอนภาวนายัางไงคํำผู้เจ้าไม่ใช่เป็นทฤษฎีกลั่นออกมาจากการปฏิบัตินะแล้วต้องกลั่นออกมาอย่างถูกต้องไม่มีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดไม่มีสมณะเทพมารพรมใดๆคัดง้างหรือติดเตียนคําศาสดาได้เลยผู้เจ้ายืนยันว่าสมบูรณ์เป๊ะแต่คําสาวกนั้นไม่ใช่ นะไม่มีความสามารถขนาดนั้นนั้นผู้ที่บัญญัตินะปัญญัตินิรุตติคือภาษาออกมาได้อย่างไม่มีข้อผิดพลาดจึงถูกเรียกว่าศาสดานะและเป็นศาสดาประเภทอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าคือตรัสรู้ได้ด้วยพระองค์เองไม่ต้องพึ่งครูบาอาจารย์ที่ไหนนะนี่คือความสามารถพระพุทธเจ้าของเรานะปฏิจจสุบาตก็เล่มประมาณนี้นะะฉนั้นอรัตมาก็ <c oughs> ถ้าจะแนะนําก็คือแนะนำห้าเล่มจากพระโอษฐนี้เป็นหลักนะ แล้วก็จะมีสิบเล่มสิบเล่มตรงนี้ที่เราทำไว้นะ เ, เราก็ทำคำพระสัสดาเพราะใช้หลักการพระู้เจ้าว่าคำพระเจ้าเท่านั้นถูกต้องที่สุดนะไม่มีข้อผิดเพราะนั้นหนังสือของเราจะไม่มีคำสอนสาวกนะ สาวกสอนไม่ได้สาวกคือผู้ฟังคําสอนนะหนังสือคําสอนสาวกต้องไม่มีนะต้องมีแต่หนังสือคำพระสัสดาสาวกต้องพูดคําศัสดาโดยแผ่คำสัสดานะหนังสือทุกเล่มจะเป็นคำสัสดาเช่นถ้าต้องการแก้กรรมเราก็ทําให้แก้กรรมนะในนี้เป็นคำสัสดาสัดสดาทั้งหมดที่สอนเรื่องการแก้กรรมเกี่ยวกับเรื่องของกรรมต้องการจเจริญอานาปานสติทําให้ทั้งชีวิตศัสดาสอนอานาปานสติ32มสิสองพสดุส์ เราก็รวบรวมไว้ให้ครบหมดแล้วนะอยากเป็นฆราวาสชั้นเลิศก็ตรงนี้ฆราวาสชั้นเลิศนะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรนะก็มีไว้ให้ครบนะต้องการดูจิตก็ตรงนี้นะดูจิตอย่างถูกต้อง60กว่าพระสูตรนะอย่าไหลาตามอารมณ์ไปพระศาสดาให้ละทิ้งอารมณ์จะเห็นความสอดรับกันของทุกทุกพระสูตรคำสัสดาไม่มีการขัดแย้งกัน ถ้าต้องการสาธายายทำสะทายายตามพระศาสดากฎอิทับปัจยาตาปฏิจจสุบาทนะไม่ใช่ไปสาธยายมนที่คนรุ่นหลังแต่งขึ้นใครก็ไม่รู้แต่งหรือบางทีก็รู้ตัวคนแต่งด้วยแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพราพุทธเจ้าเราสวดอะไรพระุทธเจ้าเราสวดกฎอิทับปัจยาตาสวดปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบดับคือเหตุเกิดของความตายและเหตุดับไปของความตายเรายิ่งสวดยิ่งทรงจําได้เราจะคล่องแคล่วในหลักธรรม เราจะรู้เหตุเกิดของความตายเหตุดับของความตายและเราจะแก้ปัญหาความตายได้อย่างถูกต้องนะ <c oughs> สามเล่ม น, นี้น ะ, ะตามรอยธรรมก้าวย่างอย่างพุทธะประถมธรรมนี่สำหรับผู้ใหม่เป็นพระสูตรง่ายๆนะหลักการใช้ชีวิตของคารวะาไล่เรียงไปจนถึงการเข้ามรลเป็นมรรควิธีที่ง่ายๆนะอันนี้ก็เป็นมรรควิธีที่ง่ายน ะ, ะง่ายทุก สำนักบอกง่ายหมดเลยแต่ง่ายตามที่ผู้เจ้าบัญญัติเนี่ยบัญญัติไว้อย่างไรนะเราจะรูมไม่ให้และอันนี้ใครต้องการถึงพระโสดาบันเอาไปตรวจได้นะห้าสินะัยยะที่ผู้เจ้าตัดเอาไว้นะของความเป็นโสดาบันนะบางคนบอกไม่กลัวสําคัญผิดหรอบอกสําคัญผิดยิ่งดีนะสำคัญผิดกันทั้งประเทศยิ่งดีเพราะคุณสมบัตินี้ยิ่งสําคัญผิดยิ่งเป็นคนดี ผู้เจ้าบอกศีลห้าต้องบริบูรณ์และต้องไม่หวั่นไหวในพระรันตนไตยถ้าโยมสําคัญผิดว่าโยมเป็นโสดาบันโยมก็จะต้องระวังศีล5โยมไม่ให้บกพร่องแล้วคนทั้งประเทศศีลหด้ดีๆไหมสุดยอดเลยอาตมาสิงห์มันเนึกว่าทำไมผู้เจ้าไม่กลัวการการคนสําคัญผิดเพราะหลักเกณฑ์ของผู้เจ้าเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะทั้งการวัดสอบและแม้จะแต่จะสําคัญผิดก็ยังเกิดประโยชน์ไม่เสียหายนะอ่า <c oughs> แล้วเราก็ทานะ <c oughs> อย่างที่พระศัสดาบัญญัตินะ่ะคือให้สนใจแต่คําพระพุทธเจ้านะถ้าฝนตกแรงขยับข้างในได้นะขยับขึ้นตรงไม้ก็ได้ขึ้นบนไม้ได้ตามสบายนะ ช่วงก่อนท่านพุทาตไม่มีคอมพิวเตอร์นะก็เลยเใช้เวลาถึงยีบสองปีแล้วทำได้ห้าเล่มนะตอนนี้เราสามารถทำในหลักเดียวกันกับท่านพุทธาตแล้วก็ตามพุทธประสงค์ของพระผู้มีพระภาทเจ้าก็คือคำศาสนาล้วนๆนะเราก็ได้ทำนะหนังสือจากพระโอษฐ์เนี่ยสสามเล่มได้เล่มขนาดนี้นะ 33เล่มนะเป็นคำพระศาสดาเราทั้งหมดแล้วก็ใส่ภาษาบาลีไว้ด้วยบาลีหน้าไทยหน้าทุกหน้าเลยนะเราสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ใน ท, ทันทีหัวข้อตรงกันนะและต่อไปถ้าทำเสร็จก็จะทำเข้าในคอมพิวเตอร์เราสามารถสแกนค้นหาได้โดยไม่ต้องนั่งเปิดทีละหน้านะ <c oughs> นั้น <c oughs> เราก็พยายามทำหลักฐานด้านพุทธศาสนาที่ <c oughs> เป็นพุทธวจนะให้ครบถ้วน นะนี่ก็เป็นหนึ่งในงานที่ทำแล้วนอกจากนี้อนอกจากงานหนังสือเนี่ยเรายังทำเข้าไปในคอมพิวเตอร์อในพวกอุปกรณ์แท็บเล็ตต่างๆนะใครมีซั s u n g ใครมี iPhone iPod iPad ก็สามารถที่จะโหลดข้อมูลได้นะถ้ามีติดมาวันนี้ก็ใช้ Wi-Fi ที่นี่โหลดได้ไม่ถึงนาทีเสร็จนะนั้นเท่ากับทุกคนเนี่ยมี ข้อมูลคำสอนพระศาสดาทั้งชีวิตอยู่กับตัวเองแล้วนะอยู่ที่เราเนี่ยจะศึกษาและค้นคว้าหรือเปล่านะก็อย่าลืมแยกแยะข้อมูลนิดนึงเพราะว่าเราบรรจุทั้งบาลีสามแลทั้งก้อนเข้าไปซึ่งจะมีทั้งอัตถกถาและพุทธวจนะอยู่ในนี้นะก็แยกแยะหน่อยนึงแต่ถ้าหลังจากสาสามเล่มนี้เสร็จแล้วเราจะบรรจุเข้าไปด้วยก็จะมีแต่คํำผู้เจ้าล้ว น, วนเท่านั้นนะในแผ่นโปรแกรมที่เดี๋ยวจะแจกให้เนี่ยนะจะมีอ่า บาลีสยามรัฐทั้งภาษาบาลีภาษาไทยของมหามุขมหาจุฬานะพระไตรปิฎกทุกสํานักเนี่ยเข้าแล้วก็มีโปรแกรมในการสแกนตรวจคน้นแล้วก็มีห้าเล่มจากพระโอษฐ์แล้วก็มีหนังสือเล่มเล็กนะให้ด้วยทั้งหมดก็อันนี้เป็นงานที่ทําเพื่อที่วัตถุประสงค์คือกระจายคําพระศาสดาออกไปให้มากที่สุดให้อยู่ในทุกหยองญ้าเลยอยู่ในทุกๆคนนะจะได้ไม่สูญหาย ให้ดำรงอยู่ในโลกให้นานที่สุดก็จะเป็นประโยชน์ต่อดวงจิตนะที่เกิดมานะในยุคต่อๆไปก็จะได้มีมีเส้นทางที่เขาจะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้นะจะได้ไม่ต้องกระโดดตึกฆ่าตัวตายนะมีวิธีแก้ทุกข์ไม่ต้องไปกินเหล้าเมายานะนะนะและถ้าใครต้องการหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายก็สามารถ ตั้งใจปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ก็จะเข้าถึงความไม่ตายได้นะอีกคำถามครับพาจคือพอดีว่าเพื่อนเพื่อนเขาไปงานศพแล้วเขาเห็นว่าเราอ่านพุจวัตนะเขาก็เลยมาถามเราว่า <c oughs> ไปงานศพสมัยพุทธกาลเนี่ยเขามีไหมแล้วก็ฟังว่าก่อนที่พับดิดาของพูทเจ้าเนี่ยจะจะจะสิ้นพระชนพูทเจ้าก็ไปตัดโกรดทีนี้ผมก็เลยไปสแกนหาในในอีที่ิัก เรื่องงานศพ บ, บ้างชาพนกิจ <c oughs> ก็ไม่เจอจะเจอแค่ผู้เจ้ า, าตร ง, ตรงพุทธประวัติจับพระโอสถก่อนที่พระองค์จะจะจะปรินิพพานว่า <c oughs> ให้เอาผ้ามาพันแล้วก็แล้วก็ <c oughs> แต่ก็ไม่ได้มีว่าต้อ ง, ต, องต้องสวดศพต้องอ <c oughs> ทีนี้หลักการในการวางใจเวลาที่เราไป <c oughs> อย่างงานที่ยังคงต้องปฏิเสธไม่ได้ในในปัจจุบันนะครับที่เราต้องไป จริงๆหลักคาาว่าจริงๆเราควรจะไปวางวางใจยังไงในเวลาไปพวกพวกงานศพหรืออย่างเงี้ยครับอาารย์รนั่งสมาธินะเราก็ไปทําสมาธิเพราะว่าพระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้ทําบุญอุทิศให้ผู้ตายนะแล้วก็ให้แผ่เมตตาตรัตกวาเสรธธ็จเถะนั้นการแผ่เมตตา ก, ก็คือการทําจิตให้ปราศจากนิวรหะจริงๆแล้วทุกคนที่ไปงานศพต้องเตรียมจิตให้สงบให้นิ่ง แล้วแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอุทิศบุญบุญลให้แก่ผู้ล่วงลับแต่งานศพในะวันนี้คืองานเลี้ยงรุ่นนะแล้วก็ฟังสวดศพก็ฟังไม่รู้เรื่องนะแล้ก็คุยกันไปเฮฮากันไปทุกคนไม่ได้เตรียมจิตให้ถูกต้องเพราะก็ไม่มีพระมาสอนพระก็สวดสวดตายตามหน้าที่แล้วก็กลับนะแล้วก็กินเลี้ยงกันก็ไม่มีอะไรนะจริงๆก็จะเสียประโยชน์ต่อผู้ตายด้วยซ้ํานะนั้นถ้า ถ้าเราจะทํางานศพให้ให้ถูกต้องเนี่ยก็คือ <c oughs> ผู้เจ้าก็จะให้หลักที่ผู้เจ้ามีที่เกี่ยวข้องคือท่านไม่ได้วางหลักตรงนี้ไว้แต่ดูดูบริบทที่ท่านท่านบอกเอาไว้อย่างเช่นพายยะเนี่ยบอกให้าอาให้เอาไปเผาแล้วก็ทําเจดีย์ให้ภิกษุก็สงสยัยทําไมต้องทําเจดีย์ผู้เจ้าก็เลยบอกว่าพา ย, ยะป ร, ะรินิพานแล้ว ก็ไปดูพระสูตรที่บุคคลผู้ควรทําเจดีย์ก็มีอรันต ส, สัมมาสัมกุธเจ้าพระปัจเจกพระอราหันต์พระมหาจักระพัดนอกนั้นไม่ต้องนะนั้นถ้าผู้ใดเป็นพระอราหันต์ก็สมควรทําเจดีย์ให้ถ้าไม่ใช่ก็ไม่จําเป็นนะแล้วหลักการก็คือใช้การเผานะนะสลายไปนะระหว่างที่มีการประชุมของญาตินะว่าเมื่อมีการตายเกิดขึ้นก็ คงจะต้องแจ้งข่าวญาติถ้าญาติยังมาไม่ทัน3าวันห้วันเวันอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดระหว่างรอมีการประชุมของญาติกลุ่มหนึ่งที่มาแล้ว <c oughs> เมื่อมีคนมาประชุมกันแล้วพระศาสดาให้ทําอะไรให้ทํากิจ2 อ, อย่างหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้าก็ทําสมาธิสอนก็ทําสมาธินั่งสมาธิกันอย่างที่2กล่าวธรรมหรือเชือ้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนะถ้าใครกล่าวธรรมะได้ก็กล่าวหรือ กล่าวไม่ได้ก็เชื้อเชิญให้คนพี่กล่าวได้กล่าวสมมุติว่าถ้าเราไม่มีใครกล่าวได้ก็เชื้อเชิญให้ภิกษุผู้สามารถกล่าวทำพระศาสดาได้มากล่าวให้ฟังนะก็คือมีการแสดงธรรมในงานนั้นเองนะให้คนที่มาเนี่ยได้รู้ธรรมะของพระศัสดาก็จบแล้วแล้วนะนั่งสมาธิแมเม่ตาวที่บุญกุศลให้กับผู้ตายเสร็จงานก็แยกย้ายกลับรอจนทั้งญาติมารวมกันพร้อมแสดงธรรมนั่งสมาธิ แต่เมตตายครั้งหนึ่งแล้วก็เผาศพซะนะซึ่งจะทำที่ไหนก็ได้อัตมาว่าเผาก็จะเป็นสถานที่ใดก็ได้ที่มีสามารถเผาได้ดูอย่างท่านผู้ท่าท่านกาา็กองฟืนแล้วก็ศพตั้งอยู่ในโรงแล้วก็เผาง่ายๆกลางป่านะาไม่ต้องมีเข้าไปในเมนหรือเข้าไปในอะไรก็ง่ายที่สุดก็อย่างนั้นก็ได้ เออฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าออเกล้เลยมาเช่แถมแถม่าก็เดี๋ยวใครไม่มีธุระอะไรก็หลังฉันเนาะนะถกกันอีกทีเออ